ขอความสุขความเจริญจะมีแล่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายรายการใต้รมพระปรุถยานได้นำเสนอพระดำริของพระปุธิสัตว์ใ น, นบรรทัดที่สามที่สี่ที่ว่าสังคออ่สาคอนคือสังสารวัตมีไปมากนัก แล้วก็นำเอาพระพุทธธรรมรัตที่ทรงแสดงที่เกี่ยวกับภัยไว้ในฐานะต่างๆมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังสี่ห้าประเภทด้วยกันยังมีภัยอีกข้อหนึ่งซึ่งมีลักษณะผสมปนคระกันประการแรกก็เป็นภรัรรวมๆที่ใช้คำว่าชีวิตภัย ภัยที่เนื่องในชีวิตคือเราเห็นว่าชีวิตของเรานั้นพอเกิดแวมาถึงเราก็เจอภัยอันตรายต่างๆเป็นนั้นมากภัยใหญ่ๆก็คือเกิดแก่ตายอย่างที่ว่าแต่ในขณะเดียวกันเราก็เจอกับภัยประเภทที่เรียกว่าแก้ไขอะไรไม่ได้คือทําได้ก็แค่บรรเทา ก็มีอยู่ถึงก็สิบประการใหญ่ๆนะครคือหนาวร้อนซึ่งมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติธรรมดาเราไม่สามารถบรรเทาได้แต่เราก็เราไม่สามารถจะแก้ไขให้เดือดขาดได้แต่ก็ทาได้เพียงบรรเทาถ้าหนาวจัดเกินไปก็สาหัสเหมือนกันร้อนจัดเกินไปก็สาหัสเหมือนกัน แเ่าจะบอกว่ามีคนที่เจอร้อนมากจนตายหรือหนาวมากจนตายก็มีความหิวความกระหายเป็นความต้องการของร่างกายมนุษย์ปกภัยคือความหิวความกระหายนั้นเป็นภัยที่รุนแรงเพราะว่าสามารถตลดรอดชีวิตคนได้แต่เราก็ทำได้แค่บรรเทาเช่นเดียวกันคือเราแก้ไขความหิวความความกระหายจริงๆไม่เคยได้เลย ตลองนับเวลาดูนะฮะว่าเรารับประทานอาหารอิ่มแล้วนี่จะอยู่สักเท่าไหร่จริงจะอยู่ได้อาหารนั้นอาจจะไม่ต้องรับประทานแต่ว่าน้ำนี่คงสามสี่ชั่วโมงเป็นอย่างมากก็ต้องดื่มแล้วแล้วก็ชาวบ้านเองก็มีอาหารปีกย่อยต่างๆอย่างเป็นอันมากพระเจ้าเองก็ทรงรู้ ชัดเจนในเรื่องตรงนี้ว่าการที่พระเราไปฉันอาหารมื้อเดียวเนี่ยที่จริงก็เป็นอาการในค่อนข้างหนักพอเขาทรงมีรู้ฐานอนุญาตพ ว, พ, วะนะพวกเครื่องดื่มพวกปานะพวกเภสัชพวกอะไรต่างๆให้ก็เรียกว่าไม่ถึงกับอิ่มแต่ก็ไม่ถึงกระหิวมากเกินไปพอจะป่อยหิวมากเกินไปก็มีปัญหาในการปฏิบัติภารกิจการงาน ความริ้วนอกจากเป็นภัยแล้วมันเป็นโรคด้วยความกระหายก็เป็นเช่นเดียวกันแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็นำไปสู่ความทุกข์แล้วก็ปวดหัวจรหปัสสาวะก็เป็นปัญหาถาวรยั่งยืนเราก็ต้องแก้ไขเขาอยู่ตลอดพูดภาษาิุ่นนวลวศรีรกิจคือกิจที่เกี่ยวด้วยศรีละ ก็ไม่ใช่เรื่องเดียวนะก็มีการอาบน้ำอาบถ่าการแปรงฟันการล้างหน้าอะไรต่างๆอีกเป็นมากสำรวจ บ, บาลีท่านพยายามพูดได้นิมนมๆคือทำสิริรักกิจที่กิตเกี่ยวกับสริริบางครั้งแม้แต่การขับถ่ายจะรับปัสสวะป้าก็ใช้เข้าห้องน้ําบ้างใช้คำมล้างมือบ้างใช้คำอะไรที่มันสุภาพสุภาพ แต่นั้นก็คือทุกข์คือภัยแล้วก็คือโรคซึ่งเราจะต้องบรรเทาก็ตลอดแล้วยังนำพาโรคที่รุนแรงที่โรคที่โรคเราเรียกว่าเกี่ยวกับช่องท้องก็มีหมอเฉพาะในเรื่องนี้โดยเฉพาะโดยทำไปแต่ผมุงนอนก็เป็นความต้องการของร่างกายที่เรียกว่าแก้ไขไม่ได้ บางคั้งบางคราวแรงก็ความง่วงนอนเนี่ยทำให้คนลืมนึกถึงสถานภาพของตัวเองเช่นว่าพระก็ดีพวกสุภาพสตรีก็ดีไปในยานภาณนะบางอย่างเงี้นะฮะคือแม้นนจะหลับก็ต้องสมบรว์ระวังไม่หลับจนทุบตัวจนรู้น่าเกลียดก็พยายามควบคุมตัวเองให้หลับแบบนั่งสมาธิ ก็ไม่ใช่หลับจนน้าดายไหลหลับจนขาดสติไปจริงๆคือหลับยังมีสติพูดง่ายว่านั้นหลับยังมีสติแต่ว่าความหลับเป็นเรื่องที่เขายอมรับเปลียยน่าแต่ว่าทำยังไงมันเรียบร้อยหน่อยเท่านั้นเองเวตรงนี้ถ้าเรามองดูแล้วว่าภายในวินัยของพระพุทธเจ้ามีบทบัญญัติไม่ให้พระนอนร่วมกับอนุภาสบัมบัติเกินสามคืน ก็โดยเนื้อหาสาระก็คือไม่ต้องการให้ชาวบ้านก็เห็นกิริยาที่ไม่เหมาะไม่ควรของพระในเวลาที่นอนหลับแต่ว่าจริงถ้าท่านนอนไม่เรียบร้อยหนะึคืนเดียวหรือสองคืนมันก็เห็นนะเ แ, แสดงว่าก็นอนอย่างเครียดพอสมควรหรือต้องระมัดระวังกันพอสมควรที่จริงก็ช่วยกันฝึกแล้วนอกจากก็ไปลงที่แก่จะตายอีกอะ่ะนั่นก็ภัยที่เกี่ยวกับชีวิต พวกโรคพวกอะไรต่างๆพวกสุขภาพพลานามัยพวกความพิกลพิการต่างๆอีเกเยอะแยะไปหมดเลยประการต่อไปเขาเรียกว่าอาซิโลกภัยคือภัยคือการติเตียนก็หมายความว่าเราอยู่ในสังคมค่อนข้างวางตัวยากคือทำยังไงจะไม่ถูกติเตียน เพราะนั้นก็อย่างที่กฎเกณฑ์อย่างที่บอกไว้ในก่นอนว่าคงไม่ได้นะฮะคือไม่ให้ไทยใครตีเตียนเลยนี่คงไม่ได้อย่างที่โบราณท่านให้เป็นหลักเอาไว้ว่าอันินทากาเลมันเทน้ำไม่ชอบช้ำเหมือนนมีดมากรีดหินแม้องพระปฏิมาอย่างราคินคนเดินดินเลยจะพ้นคนอินทามาคนเราต้องยอมแต่เพียงแต่ว่า การตำหนิติเตียนบางอย่างนั้นมันมีความสมเหตุสมผลคือหมายความว่าจากการกระทำก็เราเองเราทำผิดมีข้อผิดพลาดบกพร่องถ้าเขาติเตียนมันก็ควรแก่การติเตียนและควรแก่การรับฟังควรแก่การศึกษาสำเน็ตควรแก่การสำรวจระวังแต่การติเตียนบางอย่างนั้นก็ไม่รู้จะว่าอย่างไอนะัจะปล่อยเขาไป มีการกล่าวหามีการใส่ร้ายคนไม่ชอบก็พูดไปอย่างเชื่อข่าวลือก็ชอบไปเจอไปอย่างนีง้แล้วถ้าเราอยู่ภาคสนามในเรื่องแบบนี้คือเราทำงานอะไรใหญ่ๆสักทีเนี่ยจะเจอเลยอย่างยอตประยาพนักงานามือนี่ไม่มีใครรอดพ้นจากการถูกด่าได้เพราะงานมันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์มันมีความขัดแย้งสูง มันมีแรงเสียดทานสูงเพรานเหนเราท่านก็ต้องตรวจสอบดูตัวเองและการสำคัญในการทำงานตรงนี้แม้ในทศพิรุษ จ, จะทำเราเสีนบา่มันต้องมีตะบะต้องมีทั้งขันติต้องมีตะบะต้องไม่มีโกรธแล้วก็ไม่เบียดเบียนกดเน้นย้ำมาหลายข้อ โดยประสบการณ์ก็ตัวเองอาตมาเคยทำงานใหญ่ๆอยู่สามสี่ครั้งแล้บัตรสนเทศนี่เป็นปึ้งๆเลยนะเรียกว่า บ, บางทีมาเป็นกิโลเลยในกรณีของเรื่องศาสนาคริสต์ตอนสองสี่สองห้าแล้วก็ต่อมาก็เลื่อนจอมพลถนอมตอนนั้นก็หนึ่งเก้าสองศูนรีคิพ แล้วก็มาถึงเรื่องสันเตียโซก็สามสองสามหนึ่งสามสองนะแต่สามสองนี่จะหนักมากแล้วต่อมาก็คือเรื่องของยันตร์อันนี้เราไม่เกี่ยวอะไรเลยแต่กนก็ดึงไปเกี่ยวเฉยๆก็โดนบัตรสนเทโทรศัพท์ด่า บ, บัตรสนเทในม้าเป็นตั้งๆเลยตังสารวัตรใหญ่ชนะสงครามต้องส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเก็บบัตรสนเทไป ก็ส่งมาเป็นวัดบางทีพระที่วัดเนี่ยก็เก็บไปมาก็าเป็นคดีด้วยไอ้นี่คือเราเห็นได้และที่เราอ่านเราก็เห็นว่าเออมันก็ค น, น ก, ก็ด่าได้ทั้งนั้นบางทีก็ดา่าเมาเมาเอาเราก็นึกไปออกว่ามันเรื่อะไรแต่นั่นคือโลกมันไม่มีทางที่เราจะป้องกันได้หรอกเพียงแต่ว่ารักษาตัวเองเอาไว้อย่าให้มีแผล เหมือนความมือที่ไม่มีแผลเราสามารถจับจะพิดได้เพราะในคำตำมิติเียนคนชอบก็พูดอย่างคนชังก็พูดอย่างเรื่องเดียวกันเนี่ยนะเรื่องเดียวกันโดยกุศลและเจตนาแต่ว่าการกระทำความดีอะไรก็ตามมันมีคนสูญเสียผลประโยชน์นั่นคือประเด็นที่เราต้องจับไปเลย สมมติว่าพระรูปหนึ่งท่านเก่งมากสามารถจะเทศสั่งสอนประชาชนให้ละเลิกยาเสพติดได้เราก็เลิกกันได้แพร่หลายเนี่ยมันจะมีคนรักท่านมากอยู่กลุ่มหนึ่งคือคนที่เกี่ยวข้องกับพวกยาเสพติดเหล่านั้นพวกญาติพี่น้องของคนเหล่านั้นพวกตัวคนเหล่านั้นก็จะเคารพนับถือเชิดชูกันแต่อย่าลืมนะฮะไปทุบหม้อข้าวพวก ผิดจำหน่ายยาเสพติดเขาก็เกลียดเขาก็ดา่าอาจจะจ้างวานอาจจะสร้างข่าวแล้วปัญหาสำคัญว่ายุค ข, ข้อบูญขาสารในลักษณะเนี้ยมันจะมีจุดเปราะบางปัญหาบางอย่างที่เราไม่ได้มองให้ลึกซึ้งอะไรคือคนถ้ามีข่าวในทำนองไม่ดีแล้วจะเชื่อง่าย เพราะว่าใจที่มีวิหิงสารีนิทษยานี่มันได้อาหารแต่ว่าวดีก็ค่อนข้างจะเชื่อยากเพราะไม่ให้อาหารแก่ฤิษยาไม่ให้อาหารแก่ความเบียดเบียนแต่มันเป็นให้อาหารแก่ธรรมะแล้วมันทวนกระแสความรู้สึกเยอะแม้ข่าวคราวของพระบางกรณีแล้วไม่ใช่สมัยนี้นะฮะสมัยพุทธกาลก็เหมดก เราลองสังเกตว่าการที่คนกล่าวหาพระพุทธเจ้าโดยจ้างนางกินจามนวีกามาทําทีมีท้องมีไส้กับพระพุทธเจ้าแล้วก็มีการโจทวงเนี่ยคือประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าแต่ว่าอยู่ที่คนเหล่านั้นริษยาพระพุทธเจ้าว่าทํางานได้ประโยชน์มากคนที่เคยนับถือเขามานับถือพระพุทธเจ้ า, เาก็เสื่อมลาภเสื่อมบริวารเสื่อมศักดิ์ศรีเสือสเส่อมชื่อเสียง ผลปรโยชน์ต่างๆที่เขาเคยได้จากกลุ่มคนเหล่านั้นก็เกิดไม่ได้ไ ม, ไม่ได้เจตนาจะทำลายของพระพุทธเจ้าแต่เขารู้สึกว่าเขาถูกทำลายแต่คนที่เขารู้สึกว่าถูกทําลายนั่นเองเขารู้สึกเขาได้เห็นไหมคนที่กลับมาเข้ารีดนับถือพระพุทธศาสนาเขารู้สึกว่าเขาได้แต่ว่าพวกที่เป็นเจ้าลัทธิคณาจารย์อยู่ก่อนโดยเฉพาะพวกอันญดรธีเขารู้สึกว่าเสีย เขาก็กรธพระพุทธเจ้ากล่าวหามาใส่ร้ายป้ายสีกันโดยประการต่างๆจนขนาดว่าพระยาสาวกของเราบางรูปถูกฆ่าตายประเพณีศา ส, สนาดีเกินไปมีคนก็รอบนักถือมากเกินไปเพราะภัยจากการตีเตียนเหล่านี้จึงไม่มีทางที่เราจะหนีได้นอกจากพยายามทำความดีแล้วเมื่อทำไปแล้วเขายัางตำหนิก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะไม่ต้องไปเดือดร้อน อย่าไปตื่นเต้นกับเรื่องเหล่านั้นประการ ต, ต่อไปนั้นก็คือไพ่ก็เรียกว่าเป็นปริสารัชไพ่คือไพ่เวลาเราเข้าไปท่ามกลางหมู่คนคือตามปกติคนเราถ้ามีจุดอ่อนมีความบกพร่องมีความบกพร่องในเรื่องกฎหมายมีความบกพร่องในเรื่องสีมีความบกพร่องในเรื่องอความประพฤติก็เรียกว่ามีแผลพูดง่ายว่ามีแผล เวลาเข้าไปที่ใดหนึ่งมันจะสะทกสถทานจะสูญเสียความมั่นใจจะอ่อนไหวคล้ายๆกับอะไรล่ะโบราณเขาพูดว่าโคสนลังวะเนยโคสนลังวะพอเห็นแรงวันพอเห็นอีกาพอเห็นเรต่ออะไรฟังก็สยองปัญ <Okay. S 2> จิตใจของมนุษย์เนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นวิตกกังวลกลายเป็นพิรุษกลายเป็นเดือดร้อนกลายเป็นหวาดระแวง ถามาใครสร้างขึ้นเราสร้างเองเระวาดกลัวเองเราวิตกกังวลเองเราสูญเสียความมั่นใจของเราเองอันนี้ก็คือภัยที่เกิดขึ้นได้มาเรื่อยๆแล้วก็ภัยคือความตายพวกนี้มันเป็นทั้งมาร น, นะฮะเป็นทั้งมานเป็นทั้งสภาวะธรรมเป็นทั้งทุกข์เป็นทั้งโรคเป็นทั้งภยัยการตายที่ถือว่าเป็นภัยก็คือว่า ในการมีที่ตัดรอนชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรียกว่าเป็นอากาลละมรณะคือไม่ถึงคราวที่จะตายคือไม่น่าจะตายอายุนามก็ยังไม่มากเรียวแรงสติปัญญาก็ยังดีความรู้ความสามารถตาก็จะอยู่โลกจะได้อาศัยเยาอีเป็ น, น, นเอเนกนันต์แต่ว่าภัยคือความตายมรณะภัยก็เข้ามาคุกคามมาทําลายจนถึงตาย พ็ตายเนี่ยพอตายเร็วขึ้นเน่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายคือคนบางคนตายไปแล้วเนี่ยมันโลกพลอยสูญเสียด้วยแต่ถ้าท่านผู้นี้อยู่อีกสระยะหนึ่งมันจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีงามเกิดขึ้นอีกเป็นนันมากแต่พอดีท่านก็ตายเสียในวัยที่ยังไม่ควรตาย ะอย่างแม้แต่พระมหากษัตริย์ของเราหลายพระองค์นที่พระชนพรรษาไม่ง่าจะสวรรคตแต่สวรรคตไปเราก็นึกว่าถ้าท่านอยู่อีกต่อมาั็าคงจะเป็นประโยชน์อีกเป็นอันมากแต่คนดีๆเรานี้มันก็กระจายอยู่ทุกคนทุกแห่งบางครัง้งบางคราวสังคมสูญเสียอย่างสมมติว่าคนที่ทํางานเพื่อสาธารณชน เช่นพวกแพทย์พยาบาลเนี่ยนี่ประสบบัติเหตุตายหมูสักทีหนึ่งเนี่ยมันเป็นความสูญเสียของสังคมตับุคลากรระดับนี้สร้างยากนะฮะกว่าจะเกิดขึ้นมาได้ต้องทุนลร้อนไปเยอะแต่เราก็ไม่รู้มันจะเกิดเมื่อไรเหมือนกันนั่นก็คือภัยใหญ่ของสัตว์มอหนาภัยนี่เป็นภัยใหญ่คือคนเราถ้าไม่กลัวตายสักอย่างหนึ่งก็ไม่มีอะไรน่ากลัว แต่บางทั้งที่รู้ว่าตายแล้วมันก็เกิดอีกนั่นแหละแต่เราก็ยังกลัวตายอยู่ซึ่งก็ค่อนข้างขัดแย้งกันนะอีกดูดีเหมือนกันคือเราเราอยากเกิดแต่เรากลัวตายบ า, าบางครั้งบางครวก็แก่มากแล้วนะะร่างกายก็ไม่ค่อยดีอะไรแต่ก็ยังไม่อยากตายก็แสดงว่าเป็นความรู้สึกขัดแย้งกันอยู่อยู่เองภายในใจของบุคคล แล้วก็ภัยที่เราหยุดมันไม่ได้ก็คือทุกขติภัยภัยคือการตายไปแล้วจะบังเกิดในทุกขติเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องอาศัยพื้นฐานความเชื่อของคนแต่ประเด็นที่ควรกำหนดเอาไว้นะฮะคือว่าเรื่องทุกขติเนี่ยคือตายไปประสบความเลือดร้อนมากกว่าที่เราอยู่ ท่านก็แบ่งไว้เป็นสี่ประเภทเขาเรียกว่านิรยะนรกดิราิชานโยนิกําเนิดดิราิชานปิติวิทยภูมิแห่งเปรตอสุรกายพวกอสุรกายเขาเรียกรวมเอามนุษย์อมนุษย์มันกรอบมันใญ่กว่านั้นนะฮะนอกจากมนุษยก์ก็ถือว่ามนุษย์ชีวิตเหล่านั้นเป็นชีวิตที่หาความเจริญได้ยากมีความทุกข์ทรมานปรากฏออกมาในลนักษณะต่างๆ แต่ถ้าเราเทียบเนี่ยเทียบสภาพจิตแล้วค่อยชัดนะฮะนรกก็เหมือนกับความโกรธที่เผาหล่นใจเราสัตว์ประหลารก็เหมือนความโง่ที่ครอบงำชีวิตเราเปรตก็เหมือนกับความโลภความกำหนัดที่กลุ้มรุมใจคนมีใจกระสันอยากอยากได้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างโน้นไปรด้วยก็ไม่รู้เมื่อไรจะจบ อสุรกายนั้นมันก็มีทั้งโลภทั้งหลงแต่บางทีก็โกรธหบางทีก็โลภหลงก็ไดนะ้แต่แล้วแต่กจะทำด้วยจุดประสองค์อะไรแล้วก็เป็นสภาพชีวิตที่หาความเจริญไม่ได้ตัวนี้เป็นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่อัตมา ก, กำลังติดตามคำสัมภาษณ์ของอดีตนานยกรัฐมนตรีท่านหนึ่งไม่ได้ฟังนะฮะแต่โยมเขาฟังแล้วก็มาเล่าให้ฟัง เขาบอกว่าการที่ประเทศไทยไม่เจริญอย่างฝรั่งเนี่ยเพราะว่าคนไทยเชื่อกฎของกรรมเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ถ้าว่าไม่เชื่อกฎของกรรมไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้าแล้วก็จะมีความเจริญขึ้นโยมที่ก็ได้ยินเนี่ยก็ร้องจะหักเลยตกใจว่าคนอย่างนี้มาพูดเรื่องอย่างนี้ได้ยังไงก็กำลังหานะฮะจะมีคนอาสาจะไปติดต่อมาให้ได้ วันหลังก็จะได้มาก็จะคัดลอกข้อความทั้งหมดออกมาดูข้อความจริงๆนี่ว่ายังไงแต่ที่ยืิงก็อยากจะเอาทั้งหมดแต่ว่าการฟังเฉพาะตอนเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันตอนตอน้ตนๆเนี่ยเขาพูดเรื่องอะไรกันมาประเดี้จะกลายเป็นฟังไม่ได้ั飒จับไปกเกลียดอีกมันก็มีปัญหาเหมือนกัน เรื่องทุกขติเนี่ยจริงๆมันไม่อยู่ที่เรื่องเราเชื่อหรือไม่เชื่อเราอาจจะพูดสำนวนปัจจุบันว่าเผื่อเหนียวไว้ดีกว่าหรือสำนุวนในสำรวจอย่างหนึง่งเขาเรียกไม่เชื่ออย่าดูหมิ่นเนี่ยสมมติว่าเราจับหลักอะไรไม่ได้ที่จริงพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในตอนท้ายของกาลามาสูตรที่เราชอบมาอ้างนั่น ทรงสอนให้ชาวกาลามะนิจับหลักอยู่ที่การกระทำความดีโดยเจริญพรมิหารทั้งสี่ประการแล้วก็ทรงสมมติเรียกว่าสร้างสถานการณ์สมมติให้ดูสองแนวแนวเึ่งก็คือเราทำความดีถ้าผลบุญผลนบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีเราทำความดีเราก็อยู่ดีมีสุขในปัจจุบันละตายไปนรกสวรรค์ไม่มีมก็แล้วไป ถ้าพ้นบุญพ้นบาปมีนรกสวรรค์มีเราก็อยู่ดีมีสุขในปัจจุบันตายแล้วก็บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ทีนี้ถ้าหากว่าเราทําความชั่วสมมติฐานเดิมนะฮะสมมุติเราพ้บุญผลนบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีเราก็เดือดร้อนในชาติปัจจุบันตายไปแล้วไม่มีนรกให้ตกก็แล้วไปแต่ถ้าพ้นบุญพ้นบาปมีนรกสวรรค์มีเราก็เดือดร้อนในชาตินี้ในชาติหน้าตายไปตกนรกด้วย ว่นนานรกจึงไม่ใช่เรื่องความเชื่อว่ามีหรือไม่มีไม่ใช่ใครแสดงว่าถ้าผมไม่เชื่อแล้วคือไม่มีไม่ใช่คนละเรื่องนะฮะต้องจับประเด็นให้ได้ว่านรกสวรรค์ไม่ใช่เรื่องของความเชื่อแต่เร right. ื่องของความมีหรือไม่มีเมื่อเขามีในคนทั้งโลกเชื่อว่าไม่มีเขาก็มีถ้าเขาไม่มีคนทั้งโลกเชื่อว่าเขามีเขาก็ไม่มีเฮ้ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความเชื่อของคนความเชื่อของคนไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้อ่นะ มันขึ้นอยู่กับว่ามีหรือไม่มีแต่ว่าเป็นปารโลกคือโลกอื่นคนจะรู้เห็นก็โดยการไปหรือด้วยทิปจักรสุก็มีสองอย่างคือไปด้วยตัวหรือว่าไปด้วยอิทธิวิธิหรือไปด้วยมโนมยิทิหรือว่าใช้ทิปจักรสุพระตถาคตพระหันทั้งหลายท่านรู้เห็นเรื่องเหล่านี้ด้วยทิปจักรสุบ้างโดยมโนมยิทิคือไปด้วยใจบ้างแล้วก็โดยไปด้วยตัวบ้างนํามาเปิดเผยชี้แจงแสดงแก่โลกด้วยแก่โลกด้วยจิตคิดอนุเคระ ตอนการเชื่อเรื่องทุกขติทุกขติภัยคือภัยในทุกขติเอาไว้จะเป็นเหตุให้เราละบาปบํงเป็นบุญโดยอัตโนมัติมันมีผลดีด้วยประการทั้งปวงั้งฟังทั้งหลายแต่รลงพ่อโพธิยาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีงแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี